มีกล่าวไว้ในคำพีสัทธธรรมมาปโชติกาภาคสองหน้า113ท่านได้อธิบายไว้ว่าความฝันสองข้อแรกเพระาะธาตุกาเริบเพราะเคยรู้เคยเห็นมาก่อนถือเอาสาระไม่ได้ส่วนข้อสเพราะเทวดาโดนใจหรือชักจูงบางทีก็ถือเอาเป็นสาระได้แต่บางทีก็ถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสี่ อบผนิมิตนิมิตจากบุญหรือบาปถือเป็นสาระได้ทั้งหมดเหตุแห่งความฝันข้อที่สข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้อ่านได้สังเกตไว้เป็นพิเศษเพราะข้อนี้ละที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเหตุไรคนบางคนจึงสามารถเข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปาติกาได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ชานถ้าหากเราเชื่อว่าการที่บุคคลบางคน ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปได้คือหมายความว่าเรื่องจริงๆนั้นมีอยู่แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไหนฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วจะเป็นเรื่องจริงทุกรายไปในที่นี้ข้าพเจ้าหมายความแต่เพียงว่าในบางครั้งคนที่ตายไปหรือโอปปปาติกะได้มาเข้าฝันจริงแล้วเรื่องที่ฝันเห็นนั้นก็เป็นจริงทุกประการ ถ้ารอยอมรับว่าข้อเท็จจริงอันนี้มีได้เราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าเหตุไรบางคนทั้งที่ทไม่ได้ฌานแต่ถ้าสามารถหลับในสมาธิได้ก็มักจะติดต่อกับโอปปาติกะได้โปรดสังเกตว่าข้าพเจ้าใช้คำว่ามักจะซึ่งหมายความว่าคนที่หลับในสมาธิได้นั้นไม่ใช่ว่าจะสามารถติดต่อกับโอปปาติกะได้ทุกคน ค้าพเจ้าใคร้จะขอร้องท่านผู้อ่านไว้สักอย่างหนึ่งว่าข้อความในคำพีดังที่ได้กล่าวมานั้นขอให้เชื่อไว้ก่อนถึงแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ในกาลามาสูตรว่าอย่าได้เชื่อคำพีก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนไม่ให้เราเชื่อคำพีเลยตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าทรงต้องการจะเตือนพวกเราว่าจะเชื่ออะไร ขอให้พิจารณาเสก่อนเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลจึงค่อยเชื่อข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้สำนึกว่าถ้าหากเราไม่ได้ถือกันว่าคำพีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งแล้วป่านี้พระพุทธศาสนาก็คงจะสูญจากโลกเป็นนานแล้วข้าพเจ้าขอร้องขอให้ท่านผู้อ่านโปรดยึดถือข้อความในคำพีเป็นหลักถึงแม้หากว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจ หรือยังไม่เห็นเหตุผลก็ตามก็ขอให้เชื่อไว้ก่อนการเชื่อไว้ก่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการศึกษาวิชาลึกลับเพราะโดยธรรมดาสิ่งที่ลึกลับแต่ก็เป็นเรื่องจริงนั้นถ้าเราไม่เชื่อไว้ก่อนเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเหตุผลและหเห็นความจริงในเรื่องประเภทนี้ได้เลยอย่าลืมว่าคนที่จะเข้าใจเหตุผลของสิ่งต่าง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 ในที่นี้ท่านหมายถึงความรู้ในคำพีทางพระพุทธศาสนาที่เป็นคำพีหลักที่สืบทอดต่อกันมาและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะให้เชื่อไปทั้งหมดซึ่งอาจจะใช้คำว่าอย่าด่วนปฏิเสธก็ได้นะครับการที่ในคำพีกล่าวว่าคนบางคนในเวลานอนหลับสนิทสามารถที่จะเห็นและพูดกับโอปปาติกาได้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 คนธรรมดาสามัญอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าฝึกสมาธิให้ถูกวิธีแล้วก็สามารถจะติดต่อกับโอปปาติกะได้โดยไม่ยากข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ยากจริงๆและจากวิธีนี้ซึ่งในเมื่อนำเอาไปใช้กันให้แพร่หลายแล้วในมิช้าโลกก็จะยอมรับว่าโอปปปาติกะมีจริงคนเราตายแล้วก็ยังมีชีวิต และเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้ายิ่งกว่าในโลกมนุษย์นี้หลายร้อยหลายพันเท่าแต่เท่าที่พูดมานี้ข้าพเจ้าหมายถึงเฉพาะพวกที่อยู่ในสุคติภูมิส่วนพวกที่อยู่ในอบายภูมินั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันหนึ่งข้าพเจ้าใคร่ที่จะขอเตือนอีกอย่างว่าในระยะแรกนี้ ขอให้ท่านสนใจแต่เพียงว่าโอปปาติกะมีจริงแต่เขาจะมีความเป็นอยู่กันอย่างไรรายละเอียดต่างๆในทำรนองนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเอาไว้ศึกษากันในตอนที่มีคนที่สามารถจะติดต่อกับโอปปปาติกะได้หลายคนและติดต่อได้อย่างสมบูรณ์เสียก่อนเมื่อถึงตอนนี้แล้วเราจึงค่อยศึกษารายละเอียดถ้าท่านมาศึกษาหรือมาสงสัยเสียก่อนก่อนที่เครื่องมือในการติดต่ อ, อยังมีไม่พอนั้น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 ท่านก็จะพลอยสงสัยไม่เชื่อไปด้วยวิธีฝึกสมาธิที่ข้าพเจ้าจะแนะนำไว้ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วิธีขั้นสูงแต่เป็นวิธีขั้นธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถจะนำไปปฏิบัติได้และถึงแม้จะทำไม่ได้ถึงขั้นเห็นโอปปาติกะแต่ผลที่จะพึงได้จากการฝึกสมาธิแบบนี้ที่จะเกิดแก่เราในชีวิตประจาวันก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว